บัณฑิตจกแสดงธรรมเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปท่านผู้ปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นในชั้นพื้นฐานทั่ ว, วไปก็เรียกกันว่าพุทธบริษัททั้งสี่แต่ว่าในชั้นของผลแห่งกา ร, ริตปฏิบัติแล้ว ท่านจำแนกออกเป็นสองระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าพระเสขะคือพระผู้ที่ยังต้องศึกษาต่อไปในความหมายโดยตรงนั้นได้แก่พร ะ, ระยะบุคคลสามระดับข้างตน้นแต่ท่านผู้ศึกษาปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิจสันังของตนให้มีความสงบมีความสะอาดขึ้นก็ชื่อว่าเป็นเสขะ คือผู้ต้องศึกษาโดยอนุโตมพระเสกนั้นเองเมื่อจบการศึกษาคือหมายความว่าท่านได้พัฒนาจิตใจของท่านไปจนอาวิชาในลักษณะต่างๆหมดไปจากจิตวิชาคือความรู้หรือญาณหรือปัญญาหรือแสงสว่างปังเกิดขึ้นขจัด กิเลสออกไปจากกิจใจท่านอย่างสิ้นเชิงท่านจะได้สถานะเป็นพระอาเซฆาคือผู้ยุติการศึกษาไ ด, กได้แก่ไม่ต้องศึกษาในการปฏิบัติต่อไปดังนั้นจะพบว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีนันเพื่อได้ดรัสรู้และบรรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้ว ก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องปฏิบัติเพื่อขัดเกล่าวเพราะไม่มีกิเลส ท, ที่จะต้องขัดกล่าวแต่ความหมายทางการศึกษาที่ท่านพูดนี้จะเน้นไปที่การปฏิบัติขัดเกล่าวกิเลสไม่ได้เน้นไปที่การเรียนรู้เพราะในชั้นของการเรียนรู้พระพุทธวจนะทั้งหลายนั้นพระหานทั้งหลายก็ต้องศึกษาเรียนรู้เหมือนกัน จันเรียกว่าพันธาคาริกะปริยัตยิคือเป็นการศึกษาในฐานะขุนคลังแห่งพระสัธรรมคือรักษาสืบต่อพระสัธรรมเอาไว้พระธรรมก็คือหลักปริยัตยิที่ควรศึกษาและปฏิบัติคือการปฏิบัติตามหลักที่ได้ศึกษาเรียนมาและปฏิเวทคือผลที่บุคคลเหล่านั้นสัมผัสเจอการปฏิบัติตามหลักธรรม ดังนั้นเวลาแสดงถึงคุณลักษณะของพระอาเศขะหรือพระอาหารหันต์ก็จะได้เน้นให้เห็นว่าท่านเสร็จกิจในส่วนตัวของท่านอย่างแท้จริงกิจที่จะต้องทำต่อไปจึงเป็นกิจที่จะต้องทำด้วยความอนุเคราะห์ต่อชาวโลกเช่นที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายได้กระทาบุคคลทั้งสองประเภทนี้ เป็นที่รู้จักกันในยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้นท่านอาชิตปานพนกเองก็ได้ทราบข่าวเรื่องราวหล่านี้จึงได้กาับทูลถามพระภูมีพระภาคเจ้าเป็นใจความโดยสรุปว่าในโลกนี้มีพระเสขะคือท่านผู้ยังต้องศึกษาเพื่อคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปและพระเสขะคือผู้ยุติการศึกษาพะจบสิ้น เรื่องที่จะต้องศึกษานั้นไม่อยูดในโดกพระเสะคือพระราหาันทั้งหลายนั้นมีความสงบเงับดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้อย่างแท้จริงแต่ท่านเองต้องการจะทราบว่าผู้ศึกษาปฏิบัติ ธ, ธรรมทั้งหลายนั้นอาศัยข้อธรรมอะไรเป็นหลักในการดำเนินประพฤติปฏิบัติ ช่วยพัฒนาคุณภาพ จ, จิตใจของท่านให้เข้าถึงความเป็นพระอาเศสขะคือไม่ต้องศึกษาอีกในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงหลักธรรมไว้สีประการด้วยกันประการแรกคือจิตที่ไม่เกาะเกี่ยวในกามทั้งหลายการรมาการนั้นกามนั้นจำแนกออกเป็นสองประเภทด้วยกัน ประเภรกเรียกว่าวัตถุ ก, กรรมเราจะมองให้กระจายก็กระจายได้ทั่วโลกนับกันไม่หวาดไม่ไหวแต่ถ้ามองในแง่ของการหาความเข้าใจก็จะพบว่าวัตถุ ก, กรรมนั้นก็คือสิ่งที่บุคคลเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกริมด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายและเหนียวนึกด้วยใจที่จริงวัตถุ ก, กรรมนั้น ตั้งอยู่โดยธรรมดาเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันการที่วัตถุเหล่านั้นจะมีอิทธิพลครอบงาใจคนหรือไม่ครอบงาใจคนขึ้นอยู่กับเชื้อภายญาใจของคนได้แก่กิเลสกามที่บุคคลเกิดไปกำหนดหมายในอารมณ์เหล่านั้นและกิเลสก็จะเกิดขึ้นตามการกำหนดหมาย อย่างที่พระภูิรพระาักตาทรงใช้คำซ้ำอยู่3ามคำตลอดกำบาลีวะอิทธากันตามนาปาคือรูปเสียงกลิ่นรสผทธถะและธรรมารมอันใดที่ใจคนไปกำหนดไปยอมรับจนถึงก็สยบติดว่าเป็นของน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจกิเลสกามก็จะเกิดขึ้นครอบนาจิตใจของบุคคลเหล่านั้น และจะมีการเลื้อยไปของอารมณ์ที่ท่านอุ ป, ปมาเหมือนกระเถายันต์สายซึ่งอาจจะดูยากหน่อยก็ดูพันไม้เลื้อยทั้งหลายเช่นพวกน้ำตาผูกฟักเห่นต้นเอเดเวลาการเลื้อยไปในที่ใดแล้วก็จะรากไปเกี่ยวพันสิงเหล่านั้นแล้วก็เลื้อยต่อไปใจของบุคคลที่ประกอบด้วยกิเลสกรรมก็มีลักษณะอย่างนั้น จะกำหนดหมายอารมณ์จะพินิจอารมณ์และจะกำหนดหมายอารมณ์ตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆันน้ทำไมจึงพูดว่าตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆเพราะแท้จริงแล้วก็เป็นเช่นนั้นวัตุกลรมอย่างเดียวกันนั่นเองในขณะหนึ่งก็ใครปรารถนาพอใจยินดีต้องการ บางครั้งบางคราวอาจจะยื้อย่งกันด้วยซ้ำแต่ขณะหนึ่งเมื่อจิตไปกาหนดเสใหม่ไปมีความรู้สึกเส้อใหม่หรือวัตถุกรรมเหล่านั้นแก่เปลี่ยนแปลงไปใจของบุคคลก็จะกําหนดใหม่โดยไม่น่าใครไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจกิเลสสายพยาบาทก็เกิดนคนที่ต้องการผลเป็นปราเสขะคือไม่ต้อง ตกอยู่ในบ่วงของมานหรือเครื่องผูกของมานทั้งหกประเภทนี้อีกต่อไปได้จะต้องพยายามทำใจของตนไม่ให้เกี่ยวเกาะในอารมณ์ทั้งหลายอย่างน้อยก็ไม่ให้มากเกินไปแต่ว่าชั้นที่สมบูรณ์จริงๆแล้วต้องไม่เกี่ยวเกาะทั้งหมด เ, เนื่องจากผลสูงสุดนั้นเป็นการปฏิบัติที่ต้องอาศัยเงื่อนไขเป็นอันมาก อำนาจวรสนาบารมีอินทรีย์สติความเพียรปัญญาของบุคคลในปัจจุบันที่จะเสริมสร้างขึ้นไปอยู่ในจุดนั้นได้หรือไม่ได้หรือได้ในระดับที่ต้อาลันลุกมาพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงในรูปของปฏิปทา <c oughs> ที่เป็นเครื่องดำเนินซึ่งจะนำบุคคลให้เกี่ยวกาะในอารมณ์ท้งหลายน้อยลง เพในขณะใดก็ตามที่จิตใจของบุคคลมีความรู้สึกว่าเป็นของเราเป็นเราน้อยลงจะมีความโปร่งมีความเบาสบายมาเกิดขึ้นข้อนี้เพิงสังเกตในการปฏิบัติกรรมฐานในในแต่ละขณะก็ได้การปฏิบัติกรรมฐานที่วัดนั้นห <c oughs> รือว่าไปในไลาจากบ้านจะเป็นวัดป่าวัดอะไรก็ตาม ใจจะยังลงสู่ความสงบได้เร็วแม้ไม่มีเสียงดังมีอะไรใจก็จะไม่วิ่งออกไปรับง่ายนักแต่ถ้านั่งภายในบ้านแล้วจิตจะวิ่งไปรับได้เร็วเพราะเป็นข่วงจนจะขึ้นบ้านเราอันตรายจะเกิดขึ้นแก่บ้านเรามีอะไรเกิดขึ้นแก่บ้านเราหรือข้าวของจะแตกหรือควายฟ้ า, าจะชอ็อตอะไรต่างๆก็คิดปรุงไปด้วย พราอบตัวนั้นมีแต่ของเราทั้งหมดใจจะวิ่งไปเป็นห่วงเป็นใจไปอไะไรวักผวาบเนกับของเราแต่พอออกไปจากของเราใจก็จะปล่อยวางได้แม้จะมีเสียงอะไรเกิดขึ้นแต่การกําหนดบกของเรามันก็ไม่มีในขณะนั้นทําให้จิตอย่างลงสู่ความสงบได้เร็วดังนั้นเราทำระการแรก ซึ่งวันจริงก็ทรงแสดงไปโดยนัยาะต่างๆบุคคลจะต้องพยายามสำรวมระวังใจไม่ให้เกี่ยวกาะในอารมณ์ทั้งหลายมากเกินไปแต่ระดับที่เป็นพระอเสขะจริงๆนั้นจะไม่ข้องในอารมณ์ทั้งหลายสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามธรรมชาติธรรมดาเวลาสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นท่านก็รู้มันเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันท่านก็รู้ว่าดับไป ตอนนี้จะต้องมองย้อนถึงญาณอันเป็นเหตุให้ท่านปล่อยวางสิ่งทั้งหลายได้ว่าเกิดขึ้นจากการที่ท่านมองเห็นสิ่งทั้งหลายนั้นไม่มีอย่างแท้จริงมองเห็นเป็นกระบวนการของการเกิดดับที่ต่อเนื่องกันไปจะมองอีกทีหนึ่งให้ชัดเจนก็มีแต่ดั บ, ดบเท่านั้นเองในการกําหนดหมายในสิ่งเหล่านั้นของเราก็ดีเป็นเราก็ดีเป็นตัวเป็นต้นของเราก็ดีก็จะเจือจางลงไปโดยดําดับ จนถอนความรู้สึกเกี่ยวเกาะได้ที่จริงเป็นการเรียนจากจุดย่อยๆถึงจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นเองแต่เนื่องจากความเป็นเอกภาพของสิ่งทั้งหลายในโลกโดยความเป็นรูปนามเมื่อเรียนรู้ได้ในจุดหนึ่งแล้วท่านก็มองกระจายไปในจุดอื่นได้อย่างที่ทรงแส ด, แดงไบในที่ต่างๆเป็นนันมากเช่นในอรรถ ในนัตตลักณ์นสูตเป็นต้นทรงชี้แจงให้ท่านบป็นจ้กีเห็นมานโดยลำดับแล้วในที่สุดก็ทรงนำความคิดของท่านเหล่านั้นให้มองเห็นในคราวนั้นก็เรียกว่าขันห้าที่จริงขันห้ากับวัตถุกรรมกไม็ไม่แตกต่างอะไรกันในการพูดถึงเรื่องเดียวกัน เพียงแต่ว่าในคานท่านั้นปะปนทั้งกิเลสกรรมและวัตถุกรรมเอาไว้ส่วนวัตถุกรรมพูดเฉพาะวัตถุการมโดยเฉพาะแต่ทั้งหมดก็เป็นกรมคือสิ่งที่บุคคลใคร่กระเหติให้บุคคลใคร่จึงปะปนกันอยู่ในที่เดียวกันไปส่งสอนในน้อมใจไปให้พิจารณาเห็นสิ่งเหล่านั้น ไม่จะเป็นนดีก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเล็บก็ดีประนีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ ด, กดีโดยความเป็นจริงแล้วสักแต่ว่าเป็นอย่างนั้นสักแต่ว่าเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือสักแต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสปวดตาาธรรมารมโดยสภาวะที่แท้จริงแล้วไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวสตนของเราแต่ประการ ความรู้เห็นในลักษณะนี้ทรงใช้คำว่าสมัมมัปปัญญาคือเป็นปัญญาเห็นชอบตามความเป็นจริงเป็นตัวญาณทัศนะหรือตัวอริยมรรคที่แท้จริงเพราะอริยมรรคมีองค์8ประการนั้นเป็นตามทรงกันว่าปัญญาเห็นชอบความดริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบความพยายามชอบตั้งสติชอบ ตั้งใจมั่นชอบนั้นเป็นองค์คล้ายๆกับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหรือองค์ประกอบของอริมัชองค์อริมัชที่แท้จริงคือสัมมาญาณนะและแก่ความรู้ในทางชีช้เจาซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติให้สมบูรณ์ในองค์อริมัชทั้ง8ประการและความรู้เหล่านี้ก็จะขุดขึ้น เพราพอผุดขึ้นแล้วจากวันนั้นเป็นต้นมาสิ่งทั้งหลายนั้นในสายตาของปุถุชนก็มองเห็นน่เแต่ในสายตาของพระอริยะท่านก็เห็นอีกระดับหนึ่งซึ่งทำหนองเดียวกักรมองวัตถุอย่างเดียวกันแต่เครื่องมาเครื่องมือในการมองแตกต่างกันผ่ายหนึ่งมองด้วยตาธรรมดาผ่ายหนึ่งมองด้วยแว่นขยายผ่ายหนึ่งมองด้วยกล้องจุลทรรศ จะเห็นภาพในจุดเดียวกันนั้นแตกต่างกันแต่คนที่มองด้วยอะไรก็ตามถ้ามีขพื่นปัญญาที่ยังได้ลึกในเรื่องเหล่านั้นถึงแม้ภาพปรากฏจะเป็นอย่างหนึ่งแต่ก็จะคาดหมายผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้และจะเข้าใจถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นซึ่งความเข้าใจในลักษณะนี้เป็นสัจธรรม เกิดขึ้นแก่ใครก็เหมือนกันหมดแลยเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้ามองคนแก่ที่ปรากฏในขณะนั้นดึงเข้าหาพระองค์ซึ่งยังไม่แก่ใ น, ในที่สุดก็สรุปว่าจะเป็ น, น้นเดียวกันหรือการที่ประเทรารูปหนึ่งที่ชื่อพระพระจักขุบาลถ้าต้องการสละทรัพย์สมบัติทั้งมวลออกบวดในสมัยที่ยังเป็นหนุ่มนักชายขอร้องให อยู่ใช้สอยทรัพสมบัติมีครอบมีครัวจสียก่อนไปบวชตอนที่แก่เท่าชาราดงท่านบอกว่าชีวิตเราไม่แน่ขนาดนั้นพี่ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ได้จนตายจนแก่ตายอีกอย่างหนึ่งถ้าอยู่จนแก่ไปแล้วแม้แต่มือเท้าของตัวเองยังควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้แต่จะควบคุมบังคับบัญชาจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายได้อย่างไร นี่คือการมองจากปัจจุบันแกดึงเข้าไปหาอนาคตซึ่งเป็นการมองเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้ามองหรือแม้แต่การเห็นของเด็กเรวัตน้องชายระษาริบุทซึ่งอายุเพียงเจ็ดขวบมองทวดซึ่งอายุร้อยี่สิบปีและคาดหมายผลที่จะเกิดขึ้นแก่ตนและแก่คนที่เขาบังคับให้ตนแต่งงานว่าถ้าอยู่ไปถึงร2อยี่สิปีก็จะมีสภาพยอย่างเดียวกัน นี่คือเอกภาพคือความเป็นในหนึ่งเดียวกันของนามรูปไปกองสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ยานัศสนะคือความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นทำให้ท่านเป็นพระอาเซขะคือไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปปัแม้ท่านจะอยู่ในถ้ำกลางสิ่งแวดล้อมที่ยังคงมีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณ แต่ยังมีคนกำหนดว่าหน้าค้าหน้าปราตนาหน้าพอใจกันอยู่นั่นเองแต่ท่านจะไม่เกี่ยวกเกาะอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นจะไม่มีการกำหนดในลักษณะนั้นเพระาะอะไรเพราะกิเลสเป็นเหตุกำหนดภายในใจไม่มีแล้วมันมีแตนะ่ญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นที่แท้จริงในวัตถุเหล่านั้นในเรื่องราวเหล่านั้น ซึ่งข้อ น, นี้าหาก็จะมองเปรียบเทียบถึงสภาพจิตของพุทธศาสนิกชนที่ผ่านการประพฤติปฏิบัติเป็นวินยยชนในระดับต่างๆแล้วก็จะเห็นได้ว่าอาศัเกิด ค, คุณคือคุณเครื่องทำบุคคลให้เป็นพระเสะในระดับนี้บุคคลทั่วไปก็สัมผัสกันได้ในชั้นหนึ่งเช่นรูปเช่นการละเล่นหรือการแสดงต่างๆ ที่คนวัยหนึ่งรุ่นหนึ่งยุคสมัยหนึ่งคลั่งไคล้ใดตงเพื่อเรียนกำหนัดยินดีกันแต่ท่านผู้เป็นบินยูชนเข้าใจเหตุผลตามความจริงในเรื่องเหล่านั้นก็จะมองเห็นเป็นของเด็กเล่นมองเห็นเป็นตุ๊กตาที่ไม่น่ากําหนัดรักใครยินดีอะไรแม้จะไปพบเห็นสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใส่ใจไม่กําหนัดเพเื่อเพลินไม่ยินดีไม่เกี่ยวก่ออยู่กับอารมณ์เหล่านั้น ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ว, ว่าจิตใจของบุคคลไดพัฒนาขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพียงใครตาก็ายกระดับสูงขึ้นไปได้มากแม้แต่การเที่ยวหาสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจจากแหล่งรื่นรมต่างๆการพักผ่อนหย่อนใจในสถานที่ที่ออกิดทุกข์กโศมเป็นต้นก็จะไม่มีสำหรับบุคคลผู้นั้นพระมองเห็นความไม่มีสาระแกล้งของสิ่งเหล่านั้น แต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะยอมรับถึงวุฒิภาวะสำหรับเยาวชนบางระดับที่แกยังไม่รู้ไม่เข้าใจพอแกก็คงจะลงหลงไหลกลังไคอยู่ระยะหนึ่งจะทำให้เข้าใจโลกเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตจิตใจามากมากยิ่งขึน้นและจะอยู่ในในโลกด้วยความเข้าใจด้วยความรู้ซึ่งเป็นยานณทัศนะระดับหนึ่ง ท่ทนานใช้บังคบว่าปรีชาญานคือความรู้ที่ย่างลงไปในเรื่องเรานั้นยอมรับในขั้นตอนต่างๆตามความเป็นจริงทั้ทงชั้นสมมตทั้งชั้นที่เป็นปรมัตย์แต่ทั้งชั้นที่เด็กแก่กำลังเล่นตุ๊ ก, กตากนันก็ยอมรับสภาพของแก่จะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นแนวร่มทั้งหลายจะไม่ไปกะเกณฑ์บังคับบัญชาว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ ซึ่งข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนไว้ตั้งแต่ต้นๆประการจะควบคุมบังคับบัญชาในลักษณะนั้นเป็นไปไม่ได้เราขอสิ่งนั้นจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยนั้นไม่มีใครสามารถที่จะควบคุมบังคับไปได้ทุกกรณีมีบางอย่างแต่นั้นเองที่พควบคุมกันได้บังคับกันได้แต่ก็เป็นการบังคับได้ควบคุมได้ในระยะหนึ่งถ้าตราบใดที่จิตใจของบุคคลยัง มีกิเลสเป็นเหตุให้สายไปแนวลมต่งางๆแล้วการจะบังคับสิ่งทั้งหลายให้เป็นไปตามที่ตัวต้องการไปทุกกรณีเป็นไปไม่ได้และแม้แต่กรณีที่บังคับได้แล้วก็จะเป็นการบังคับได้ในระยะหนึ่งพร้อมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีแรงกระตุ้นจากภายนอกหรือกระทบจากภายในก็อความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลผู้นั้น ญาณทัศน์ในลนักษณะนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าก็เป็นเช่นเดียวกับการรู้เห็นของพระสารีบุตรระโมคกขลานะก่อนบุตที่ดูมรสุแล้วก็มองภาพปัจจุบันเล็งเข้าหาอนาคตอันนานไกลว่าผลสุดท้ายทั้งเราทั้งเขาก็จบที่ความตายไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารที่แท้จริงจากเรื่องราวเหล่านี้เพราะนัความรู้ความเห็นที่เป็นตัวสัจธรรมไม่ว่าเกิด ภายในจิตใจของใครเมื่อไหร่ที่ไหนและจากอะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นความรู้ระดับที่เป็นญานณทัศนะคือความรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็จะมองจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันหมดอาจจะต่างกันในรูปแบบของการกำหนดใหม่แต่โดยเนื้อหาแล้วคือการผ่อนคลายการบรรเทาการสงบระงับตลอดจงการดับบรรดากิเลททั้งหลายซึ่ง มีชื่อต่างๆคุณธรรมข้อ น, นี้เป็นหลักการสาคัญในเบื้องต้นเพราะในตอนสุดท้ายทรงแสดงว่ามีจิตใจไม่ขุนโมวที่จริงเป็นต้เหตุผลของการแลกกันจิตใจไม่ขุนโมวด้วยอะไรไม่ขุนโมวด้วยอำนาจของกิเลสประเภทต่างๆจะเรียกว่า มะละมนทินจะเรียกว่านิวรณ์เครื่องกั้นจิตบุคคลเอาไว้แม่บรรลุความดีจะเรียกว่าอนุสัยคือนอนเรื่องจนในสันดานหรือจะเรียกว่ากันถาเครื่องร้อยรัดใจเรียกว่าโอคาเรียกพาดผันจิตใจให้บุคคลหมุนวนไปเรียกอาสวะคือหมักหมอยู่ภายในใจจะเรียกยังไงก็ได้ชื่อเรียกนั้นเรียกได้ามากไปแต่ว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือสิ่งที่สืบเชื้อสายมาจากอวิชชา ที่ทรงแสดงในตอนต้นเลยโลกคือมูสัตว์อันอวิชาปิดบังไว้จึงหลงดุดอยู่ในชีมืดเมื่อบุคคลไขจัดอวิชาหรือกิ่งก้านสาขาของอวิชาออกไปได้ปัญญาความรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นรานการสำรอกความพอใจในการมาคุณทั้งหลายออกไป จนใจไม่เกี่ยวเกาะในอารมณ์ทั้งหลายก็กลายเป็นความไม่ขุดหมวัวเศร้าหมองทางใจเป็นการพูดเหตุกับผลหือถ้าสร้างเหตุในจุดนี้ได้ผลก็จะออกมาในรูปของความไม่ขุดหมวัวเศร้าหมองซึ่งลักษณะเหล่านี้ผู้ปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าที่จริงเป็นเรื่องเดียวกับพระพุทธคุณและเป็นเรื่องเดียวกับที่เกิดขึ้นแก่พระอรหันต์ทั้งหลาย อย่างที่สวดสรรเสริญพระพุทธคุณว่าพุทโธสุสุโธกรุณามหมั่นนาโวพระพุทธเจ้าทรงเป็นพุทธคือผุรุ้สุสุโธมีความบริสุทธิ์อย่างดีกรุณามหมั่นนโวมีความกรุณาดูดท่วงมหานุกเพราะท่านที่มีปัญญาเกิดขึ้นประจักษ์หรือปรีชาญาณหรือญ า, า, าณทัศนะที่กล่าวมาแล้วที่จริงคําเหล่านี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือพูดแทนกันเท่านั้นเอง เพื่อให้บุคคลซึ่งมีพื้นฐานความรู้แตกต่างกันสามารถเข้าใจได้อย่างน้อยด้วยคําใดคําหนึ่งเท่านั้นแม้บางครั้งบางคราวจะใช้คำประยาวเยียดตั้งหลายคําเช่นจักกุญานปัญญาวิชาแสงสว่างอย่างที่ทรงใช้ในปฐมเทศนาก็หมายความว่าให้เข้าใจสักคำหนึ่งถึงลักษณะของสิ่งหนึ่งที่บังเกิดขึ้นแล้วกขจัดมืดภายในจิตใจของบุคคลให้ออกไปได้ จะเรียกว่าจาักกูยานปัญญาวิชาแสงสว่างก็ได้เรียกว่าอะไรก็ได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมองเห็นว่าวัตถุกรามทั้งหลายกิเลสกรมนั้นมีโทษโดยส่วนเดียวแต่ว่าในแง่ของโลกในแง่ของสามั ญ, ญชนก็ทรงสอนในบุคคลเข้าใจว่าอัปปัสัาดาดุขากา ม, มาอิติวิญญาญปันิตโตบัณฑิตรู้ไปจากชัดด้วยใจว่ากามนั้นมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มาก ไปถึงกับปฏิเสธว่าไม่มีสุขแต่เมื่อเทียบเคียงกันแล้วอัตราส่วนกันแล้วทุกขที่เกิดขึ้นจากการรมนั้นมีมากกว่าสุขเริ่มเผาลนใจตั้งแต่ความอยากได้จนเกิดความเร่าร้อนขวามคว้าแสวยขาความเหนื่อยยากลําบากทุกโทรมานประจนอันตรายต้องต่อสู้บางครั้งต้องระหัตระหังกันประกรรมบางครั้งค่าวก็ยกกองทัพมารบ ก, กันก็เพราะการรม รัางาญการระหว่างชาติต่อชาติก็เพราะการรมเป็นเหตุกรรมเป็นข้าวบูลกรรมเป็นต้นข้าวเป็นตัวกระตุ้นให้บังเกิดขึ้นแล้วเมื่อมองเห็นโทษในสวดนี้ก็จะมองเห็นว่าที่จริงวัตถุการมทั้งหลายนั้นไม่ควรแก่กันเกี่ยวเกาะใจประการใดใจก็จะผ่อนคลายผ่อนคลายลงไปโดยลําดับในสุดมันก็กลายเป็นความสะอาดของจิตใจขึ้นโดยลําดับ จิตที่สะอาดขึ้นโดยลําดับจะมีความสงบขึ้นโดยลําดับปัญญาเกิดขึ้นโดยลําดับความมืดหายไปโดยลําดับอย่างที่เคยอุปมาเหมือนการจุดเทียนซึงก็เป็นภาพรูปธรรมที่เห็นกันได้พอจุดเทียนเพิ่มขึ้นเท่าไหรความมืดก็จางไปเท่านั้นปัญญาดาทัศนะหรือปัญญาหรือวิ ช, ชาที่บังเกิดขึ้นภายในจิต ใ, ใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันก็จะทําหน้าที่ขจัดกิเลสกามให้จางลงจางลงจางลงจากใจ ไม่กิเลสกรรมจางกิเลสอื่นก็จางหมดเพราะเกี่ยวเนื่องถึงกันและในที่สุดจิตใจของบุคคลก็สงบขึ้นสะอาดขึ้นสงบขึ้นสว่างขึ้นจนไม่มีความขุ่นมัวเพราะในความไม่มีความขุ่นมัวทางใจจึงเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการไม่เกี่ยวเกาะจากการสํำรอกความพอใจในการทั้งหลายออกไป แต่ในขณะเดียวกันถ้ามองในแง่ของปฏาาิกจริยารกฏของเหตุผลการปฏิบัติบางอย่างก็มุ่งขาจัดความขุ่นมัวทางใจเมื่อใจเจือจางความขุ่นมัวลงไปการกำหนดหมายอันเกี่ยวเกาะในวัตถุกรรมก็น้อยลงน้อยลงจนในที่สุดกลายเป็นความไม่เกี่ยวเกาะในการถ้าพูดอย่างนี้ในส่วนนี้ก็เป็นเป็นเหตุก็ได้ ดังนั้นความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งเหล่านี้จึงอยู่ที่ว่าพูดช่วงไหนก่อนท่านนั้นเองแต่จะมีความอิงอาศัยซึ่งกันและกันเพรา ะ, ะนันคุณธรรมสองประการแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าทำให้บุคคลเข้าถึงความเป็นพระเสขะนั้นคือ 1. ึงใจจะมาเกี่ยวข้องในวัตถุกรรมทั้งหลายประการที่สองไม่มีความขุนมัวเกิดขึ้นภายในจิตใจต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบ ติดต่อไป